ธรรมคีตาอารัตนามนหมื่นพุทธเมื่อดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ทอแสงจะรัสขึ้นเหนือทองฟ้าทวีป ท, ทั้งสี่ย่อมสว่างสวยไปทั่วเมื่อความชื้นและไออุ่นล้อมรอบมวลพกษาสตรผลไมาย่อมจักงอบงามแตกรวง เมื่อมารดาและบุตรได้พบกันความเจ็บปวดจากการโหยหาอลาัายก็ยุติกลงเมื่อวิสุธทธิบุคคลได้ปรากฏ ข, ขึ้นมาโลกย่อมหาสุขและรุ่งเรืองไยโุญข้าพเจ้าทั้งหลายนอบนอ้อมุคารวัดเหล่าผู้กล้าแห่งโพทาิาณผู้ดำเนินไปอย่างองอา ไม่ท้อถอยแห่งมักคาข้าพเจ้าทั้งหลายสวดอารัตนามูลหมื่นพรพุทธาและลึกถึงความสำเร็จอันมหัศจรรย์ในการปรับพิธรรม้วยกุศลแห่งการสวดอารัตนาพระนามแห่งหมื่นครพุทธะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะร่วมดําเนินไปตลอดกาล สามเดือนแห่งพันสามกาลพระภูติยานและกายทั้งสามแห่งอดีตกา ร, รพัระพุทเจ้าปัจจุบันกา ร, รพระพทเจา้าอนาคตการพระพุทธเจา้าซึ่งอยู่เหนือทั้งสังสารวัฏและพระนิพพานพระมหาเมตตาการุณาแห่งองค์พระบูอิมอวโลกิเตศวน และเหล่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆุพระองค์โปรดประธานพรชัยอันศักดิ์สิทธิ์แก่ประเทศชาติและประชาชนโปรดเปลื้องทุกข์ภัยให้หมดสิ้นพันด้วยเดชะคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สรณะสูงสุดคุ้มโลกลา ด้วยเดชะบารมีพุทธโพธิสัตว์โปรดเมตตาประสิทธิดังคำอธิฐานดังนี้เธอข้าพเจ้าทั้งหลายจะสาธยายมนหมื่นพุทธสิบสองเล่มด้วยจิตศรัทธามั่งจงรวมเป็นตบะเดชะพระวัจจัย ทรงผลดับเพศภทยความทุกข์ยากของประชาชาติความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์สุขคืนสู่แผ่นดินแผ่นดินนี้คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินแห่งการสืบศาสนจักรอาณาจักรพุทธจักรมรผลนิพพานไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายล้างได้ พุทธบารมีแผ่กว้างไทยศารปกปักรักษาทั่วถิ่นแดนไทย